เราก็นั่งฟังธรรมอีกสักครึ่งชั่วโมงก็เป็นกิจวัตรประจำวันเป็นธรรมเนียมประเพณีที่เราปฏิบัติกันมาสี่ห้าสิบปีแล้วที่ัดป่าสุวิโมันได้เกี่ยวกลุ่มมากลุ่มไม่มาในวันนีนะ้เป็นกลุ่มประจำปี ตงห้าอยห้าสิหกเดือนมกราจะเป็นรุ่นแรกของปีสามสิบชีวิตที่จะมาร่วมกันปฏิวัติธรรมเจ็ดวันคนเก่าก็มีส่วนหนึ่งคนใหม่ก็มีส่วนหนึ่งทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ถือว่าเรามาเริ่มต้นใหม่เหมือ น, อนกันความรู้สึกตัว มันเกิดที่กายความรู้สึกตัวมันเกิดที่จิตความรู้สึกตัวมันเกิดที่อารมณ์ทุกอารมณ์มากระทบมันมีสติเลือกได้มั้งมีความรู้นะรู้ตัวเลือกเป็นมีสติมีปัญญาเกิดความตั้งมัน่นมันออกมั่นใจเกิดมาศรัทธาไม่งอนเงียนคลอนแคลน เป็นสัทธาสัมปยุตศรัทธาที่พร้อมบุกเป็นกองจากขบะแดงที่มันหมุนไปจากแห่งธรรมธรรมะจะเห็นความจริงมันก็จะเลือกอะไรความดีความงามอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นมายาอะไรพาลงเสื่อมลงต่ำ เราจึงหันกลับมาศึกษากายใจของเราเพื่อให้มันรู้จักมันรู้จักมันตอบโจทย์มันแตกฐานขึ้นมาในเรื่องชีวิตมันก็ใช้ได้มีกายใช้กายมีวาจาใช้วาจามีจิตใจใช้ใช้ได้ใช้จิตใจใจตัวกลางที่มันมีนะความรู้ตัวก็เห็นความจริงแ เอี้เรตรวจกันขัน5น้าขันหนะ้าะปกติถ้าไม่เห็นในเป็นภาระทีเดียวมีกายมันก็ทุกข์เพราะกายอาการต่างๆเยอะมากต้องดูแลต้องช่วยเหลือต้องรักษาต้องบำรุงทางกายจนกรังต้องมีเรื่องของกายบริหารเรื่องของสุขภาพกายสุขภาวะทางกายก็ต้วงสาสุข ดวแลเร่ง่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ีดตรมอมตาปา่าตัดเข้าโรงพจาบาลใช้อยู่ใช้ยาหลงจิตใจป่วยทางจิตป่วยทางใจเช่นมันกรอดมันเครียดดีเครียดคิดมากมันเป็นไมเกร น, นก็แก้กันที่ระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกสมองรูปธรรม มันมีวิธีแก้โในการใช้นามธรรมก็คือเจริญสติให้เกิดปัญญาขึ้นมามันจะแก้ปัญหาเรื่องจิตเรื่องใจซึ่งเป็นนามธรรมถ้ารู้ถ้าว่างถ้าหลงมันก็โกรธบ้างโลภ บ, บ้างปิดทิศปิดทางไหลลงเสื่อมลงต่ำเวียนว่ายตายเกิดในจิตในใจของเราคุมดีคุ้มไล่ฟู ฟ, ฟูแฟงกพอเรามีความรู้สึกตัวเราก็จะได้เห็นมันละ ก็เกิดการจัดระเบียบขึ้นมาได้ควรคิดก็คิดไม่ควรคิดก็หยุดซะที่แล้วก็แล้วไปจะเอามาคิดใหม่ทำอะไรกันคิดแล้วมันนีประโยชน์อะไรย้ำคิดย้ำทำตอกย้าวกบนมืดหมนภายเรือในอ่างตายจะกงงสับสนไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเบื่อไปเลยโลก ก็มีวิชาวุทธศาสนาทาไมไม่เรียนกันมีวิธีการไปนาใปฏิบัติการเราก็เจึงนีละมาฝึกมาหัดกันเรียนรู้รับรู้รับทราบใหมันเกิดความจานาญทํา่อๆรู้บ่ๆจนเป็นประสบการณ์ตรงของกายของเรากันเี่ละเราก็จะมารวมตัวกันมันมีพลังดีทําคนเดียวมันก็เบื่อๆอยู่ ทำหลายๆคนก็เป็นเพื่อนกันต่างคนต่างเป็นครูสอนกันเรายัางอยู่ได้อเพื่อนเราไปซะแล้วบางทีตั้งใจมามันก็ตั้งใจกลับเหมือนกันนะปฏิบัติทำนะมาด้วยตัณหาเนะี่ยอยากมาตื่นเต้นพอมาแล้วว่าอยากกลับอีกตัวเดิมกิเลสพามากิเลสพากลับได้เลยนะภายในสามวันนะยาน ม้วนเสื้อเก็บกับเข๋ากลับบ้านไปเลยตัวนี้ต้องใส่ใจดีๆมาใหม่ๆก็สํารวมระวังไว้นิดตาหูไม่ดูได้ก็ไม่ดูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังไม่พูดไม่คุยได้ก็ไม่พูดไม่คุยไม่เพ่งโทษจับผิดมองออกไปนอกตัวใครเป็นยังไงทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรไม่สนใจเลยเปียนกับว่าเออเราจะมาฝึก กายทำใจทำด้วยกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นเกอนไหวก็รู้สึกเกอนไหวก็รู้สึกทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบในรูปแบบเมื่นั่งสร้างชงหวาพิกมือตั้งรู้สึกตัวยกกันไปรู้สึกตัวมาวางที่สะดือแล้วก็รู้สึกตัวจนครบสิบสี่ชงหวมามันนั่งเมือยเราก็อ่วออรวัวเมื่อยใหม่ๆก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นเดินจงกรม วางกายผ่อนคลายสบายๆเดินไปเดินกลับยิ่งเดินยิ่งสนุกถ้าด้อารมณ์ปฏิบัติบางทีเดินแล้วก็มันก็มีปัญหาไอ้ทั้งนั้นอดีเป็นปัญญาทันทีเจ็บปวดเมื่อยไม่เป็นไรมีเสียงมาทับที่หูไม่เป็นไรมีสติอยู่ไม่เป็นไ ร, ไ เ, นไรเดี๋ยวหาโอกาสมีปัญญาก็จัดการอีกทีหนึ่ง ที่เนเหมาะที่มันควรมีกายมีวา จ, จามีจิตใจรักษาสามทางสามปลายมงหายจากความทุกข์รักษาไปจิตไปใจให้เชื่อรักษาที่วา จ, จาด้วยคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำที่กายด้วยที่จิตใจก็มีสติคุมลงไปสติก่อนคิดสติก่อนพูดสติก่อนทํา สติก่อนคิดก่อนพูดก่อนทํามันเกิดขึ้นมนขนาขณะคิดขณะพูดขณะทำมันก็ทันเหมือนกันเป็นปัจจุบันหลังคิดหลังพูดหลังทํำก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันแล้วก็แล้วไปเป็นธรรมชาติเมื่อจึงเป็นเรื่อเราฝึกหดกัดเมื่อต้องเข้าออกเข้าใจเห็นกาเห็นนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นจิตของเรา คิดเก่งกันนี่ถ้าสรุปแบบง่ายๆคือทุกเกิดจากความคิดคิดเป็นก็ไม่เป็นทุกชีวิตของเราเคลล้ำกว่าไม่ทุกยึดคิดให้เป็นระดับแล้วนี่สองคือรู้สึกตัวให้เป็นไม่ต้องคิดอะไรแบบนั้นเนี่ะให้สติปัญญามพาไปให้สติปัฏฐานปัญญาที่มันเกิดจากการาฝึกเจริญสติฝึกความ ร, รู้สึกตัวมันนําไปเป็นปัญญาพุทธะ ถ้าเป็นปัญญาแบบโล่งๆจะเป็นปัญญาเฉโก้เฉโก้เป็นปัญญาที่ท้ายสุดก็คือพาตัวเองไปหาความทุกข์ไปหาความเสื่อมที่เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นโกงจักเป็นดอกบัวอย่างเรื่องที่เ็าเล่ากันในวุตสาสนามีผู้ชายคนหนึ่งข่าแม่นั่งเรือไปค้าขายท้ายสุดเรือมนก็ หยุดก็เลยมาดูกันที่ว่าใครที่มันมีปัญหาเนี่ยทำให้เรือองเราเดินต่อไปไม่ได้ก็หมายถึงว่าเราทำงานเนี่ยละ่ะงานมันไม่เดินก็เราก็มาดูเกิดอะไรตรงไหนปัญหาจุดอ่อนอ๋อไลไปไลมาเอามีคนที่ข่าแม่กันมาในเรือเสร็จแล้วก็เลยจับโยนน้ำทะเละตายไป ขึ้นไปบนฝั่งเห็นทุกคนมีแต่ดอกบัวทั้งนั้นละภาพลวงตาที่ไหนได้เป็นกงจักกกำลังฝนหัวอยู่ในนรกด้วยกระชูดแต่ละคนต่คนก็ร้องอวดโวยผู้ชายคนนี้ก็มองเป็นเสียงร้องเพลงเพราะพริ้นดอกบัวอยู่ในหัวในคอหน่อยขอมาสวมหัวไว้หน่อย พอดอกบัวัาสวนแล้ว่อ้มันเป็นโกงจักเนี่ยเจ็บปวดเลยรู้ความจริงเห็นปิดเป็นถูกเห็นงูเป็นปลาบางทีเราก็เห็นไม่ถูกเหมือนกันละชีวิตของเราผ่านมาเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ทําหลายอย่างบางทีเรากลับไปคิดนะรู้อย่างนี้ไม่ทําสักทีหรืออย่างนี้ไม่พูดสักทีรู้อย่างนี้ไม่คิดสักทีสติหลังคิดหลังพูดหลังทํา จึงมาเริ่มต้นกันเราก็จะได้มีข้อต่อรองในชีวิตของเรามันเคยสุขมาปกติต่อรอง ม, มาหน่อยมันจะได้ไม่หลงสุขโลกมนมุษย์มีสุขมีทุกข์พระเจ้ามาเกิดในโลกมนมุษย์ก็ในเหตุที่ว่าในโลกมนุษย์มีสุขมีทุกข์แล้วก็บรรลุทำได้ไม่เห็นว่าบารรลุทำได้แเนี่ยมา ปฏิสุพตนะิหลังจากจุติบนสวรรค์จุติพระวาตายนะเทวาดามันก็ตายเทวาดาตายเปย็นงไงเวลามจุติบนสวรรค์มองมองนตะามองไรราสีเหวงออกจกักรล้วเสื้อผ้าที่สวมก็มองไม่วแนะล้วเทวดาตกสวรรค์แล้วเราก็เลยนะใกล้ๆก็ว่าหมดสุข เลือกแล้วจะไปอยู่ตรงไหนดีมาโลกมนุษย์ดีกว่าเทวดาเวลาอ ว, วยพรก็ขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะเวลาก็จุดตีก็าตายไปเกิดโลกมนุษย์นะชื่อสันติเทพบุตรเนี่ยตอนเทวดารูปนี้จะมาจุดตีเป็นเจ้าชายจิตตะเดีแล้ว เรามาเกิดในรากมนุษย์อ่มันมีสุขมีทุกข์ ม, มีคนแก่คนเจ็บคนตายมีสรมภ на มันจะเลือไปที่ทางไหนกันเราตั้งลำทันทีบางที่มีทุกข์เราจมทุกข์อมทุกข์ไม่รู้ว่าปกติมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็มาศึกษามันมีทางหนึ่งทางดิมพ้นทุกข์มันมีภูมิก ม, มันอยู่ จะเป็นตัวกบายอุปมเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัรกายสมัยถึงว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ขัดแยง้งอคติพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จันเลยอุบาทเสื่อมพวกเดรัจฉานอาคติถูกก็ไม่เอาไม่รู้ถูกรู้ผิดอะไรหรอกเจ้าตระใจมันเองนะพวกนี้เดรัจฉานดังนั้นแปลคือโลภมากไดศสอกก็ยาวคืบ ได้คือพยากศอกต่อไปเรื่อยได้สอยาววาได้วายาวเส้นนิดๆหน่อยๆเอาผลประโยชน์อันนี้เป็นหนาหลของเปลกเท่าไรก็ไม่อิ่มโลภมา ก, กาต้ายสุดก็ทรมานพอสมควรทีเดียวพอความอยากความลมสูง อยากไม่ได้มันก็ อ, อกแตกตายแบบชวโชคนะท้องแตกตายโรธมากตว์นาลกก็คือคนนะกลุ่มคนที่จิตเป็นแล้วนะของโทสะจริตนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครอคตันอยู่อุปการละแล้วก็ไม่รู้จะอคตันอยู่อยู่ตรงไห น, นพ่อแม่ลงระเมิดนะสาบแช่งด่า หรือบางทีก็ถึงกันมาตุกค่าต์คาแม่เด็กเดยวนี้ทำกันแล้วเกินรสชาติของสารเลี้ยงโตนะรสชาติของฮอร์โมนที่มันเป็นพลังพุ่งพานแต่จิตขอมาไม่ได้พัฒนาเลยนะแต่ร่างกายมีพลังแข็งแรงแกร่งคราวนี้ผมทำลงไปแันปก็ทำร้ายกัน พอแม่ได้รับผลอันนี้เป็ น, นของสัตว์นรกอสุรกายคือพวกคีขาดตาขาววันนี้คี้ขาดมากๆคนหมู่มากไม่กล้าแสดงออกรับหลังที่ชอบเรียกว่านินท า, วานะพวกนี้พวกขี้ขาดตาขาวเป็นพวกอสุรกายวั น, นี้ต้องกินเหล้าใส่โซลาก็เป็นยักล้ า, าหาร การพูดการคุยการแสดงออกการร้องเพลงการเต้นการทำอะไรมากมายแล้วกันมันก็มีภพภูมิก็เป็นอย่างเงี้ยโลนนะุเป็นเทวดาก็าให้ให้ชัวกลัวบาปต่างๆให้เข้าว่าดีถ้าว่าไม่ดีเนี่ยมันปีตขึ้นมาเลยภายในจิตใจของเราทนฟังไม่ได้ต้องทำาะไรสักอย่างเพื่อเข้าว่าดีให้เขาเปลี่ยนความคิดวิธีความคิด คิดออกมาทำไมเราเดือดร้อนกระทบกระทั่งกัดสันเรินก็ดีฟูหน้าขาวเห็นทาเหีย่ยวหน้าดำมันเป็นพบภูมิที่เราก็จะได้เห็นไปในตัวเราเป็นเทวดาเป็นพรหมกว้างขวางอริมัญญาไม่ประมาณใจดีใจใหญ่โลกทั้งไปเราให้หมดเลย ทำตัวเป็นโพธิสัตว์ให้เขามีความสุขตัวเราก็ยอมทุกไปก่อนบำเพ็ญบรารมีประเภทนี้เป็นพระมีจิตใจที่มันตื่นรู้ตื่นทุกมีสติมีปัญญามีสมาธินะมีความว่องไวตอนนั้นจิตใจเห็นตรงเห็นถูกเป็นสมมาติสิตะมันก็อยู่ในความรู้สึกตัวตลักษณะที่เรานะ เคลื่อนไหวไกายแล้วก็ใจมันก็มีสติเรารู้ความรู้สึกตัวมันมีสติเข้ามาเป็นเกราะป้องกันจิตใจของเราไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมไหลไปสู่ความทุกข์พอติมไหลทางตาทางหูต้องจมูก ท, ทางลิ้นทางกายแล้วก็จิตใจของเราหน้าคิดในพมโนทวานอันนี้เราต้องมีสติกํากับเอาไว้เราต้องเป็นสติปัฏฐานด้วย สติมีชสชนิดคือสติปัฏฐานและสติสัญชาทะยานความคิดก็มี2 อ, อย่างคือเจตนาคิดกับไม่ได้ตั้งใจคิดความคิดที่เราตั้งใจคิดมีสติอันนี้ดีเป็นปัญญาเหมาะแก่การงานกรรมนิโยบริสุทธ์โตเป็นจิตปริสุทธิ์แต่ถ้าจิตเราไม่ได้ตั้งใจคิดอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของจิตที่คิดไปตามความหลง ปรุงแต่งมากมายในตัวนี้เราเป็นสาเหตุมันผลิตเป็นโรงงานผลิตความทุกข์ทีเดียวถ้าเรารู้สมมติฐานการคิดกันนั้นไหมายถึงว่าเราก็ได้หลักของการดำเนินชีวิตในหลักของกรรมฐานการเห็นความคิดก็เท่าประตูนิพพานนะเปิดออกมาการรู้เท่ารู้ทันมากเท่าไรเห็นมากเท่าไรก็นะคือการเดินทางไปสู่มรรสู่ผล จิตก็เกินสู่ปกติกรรมดีมันก็ทําอะไรไม่ได้กรรมชั่วก็ทําอะไรไม่ได้ไม่แต่ปกติบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆผมประจันตรงนี้มันอยู่ในความรู้สึกตัวเราจะมารวมตัวกันหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันให้มันรู้สึกตัวยิ่งๆขึ้นไปวินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งนะปริกมือตั้งรู้สึกวินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งนึงเกลื่อนขึ้นมาก็รู้สึกรู้เป็นปราะ รู้เป็นห่วงห่วงรู้เป็นแบบจุดไข่ปลรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยมันรู้มันก็รู้แล้วว่ารู้ถูกเมื่อรู้แล้วปล่อยมันก็รู้แล้วไม่ยึดเมันรู้ลาๆก็มีการปล่อยการวางว่างจิตว่างวางแบบเหมาะแก่การงานเหมาะที่จะทํางานทําการทํางานด้วยจิตว่างทําดีแต่ไม่ติดดี ทำงานแต่ไม่บ้างานทำงานแต่ว่างานทำให้งามจนเป็นจารีประเพนิวัฒนธรรมขึ้นมาจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปลลกใบเนี้ยจะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีแต่ความผาสุขมีความสุขสงบเย็ น, นะเกิดขึ้นมาที่ไหนก็ตามเถอะทำอยูใ่ในตัวเราเสร็แล้วก็ไปเลยไปช่วยกัน บอกความจริงกับลูกกับคนที่เร า, เ ร, ารักแล้วก็ฝึกแอดเจนต์ั้งเราเป็นครูสอนตัวเรานะั่นแหละคนอื่นไม่ต้องให้เป็นครูแล้วอเอาแค่เป็นเพื่อนเป็นกลยามิตระกายามิตแน่น่ารักน่ารบหนาลนะแล้วก็บอกความจริงต่อกันไม่ผานไปทางที่เสือ่อมอันนี้จะเป็นกําลังทําให้เราเป็นแบบเป็นอย่างของกันและกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็ิร่วมตายอีกอันก็คือเรื่องหนาความลึกตัวนี้อย่าทิ้ง ถ้านั่งเมื่อยก็ให้เดินจงกรมนะเดินไปแต่แลนะขณะกระทบรูกระทบรูกระทบรูถ้าเดินเม่ก็ให้นั่งนะมันก็จะมีเก้าอี้ไม้หินอ่อนอันนั้นให้ใช้ให้มากๆอยู่ตามมีตามได้อยู่ไปวันๆไม่คิดว่าจะได้อะไรเลยให้ทําอะไรก็ทำเรียกว่าเราละลายที่ฏี่มานะความหังการระามังการอัตตาตัวตนความวายิ่งพยองความลำพองความ ตลนงนะยะโสหังูนโออวดเราไม่เอาละให้มันอยู่ไปวันวันแบบไม่ต้องไปคิดอะไรให้ทาอะไรเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นไรอยากให้เป็นอะไรก็จะเป็นอนั้นน่ะเพราะความคิดก็เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นอะไรนะเราก็ปกติรู้สึกตัวของเรารู้สึกตัวของเราใหม่ๆปฏิบัติมันก็จะมีะบานกลางกั้นอยู่นิวรธรรม เช่นความหมงงเหาๆนอนเนี่ยยังไงก็ต้องมาทําไมมาแสดงว่าเดินผิดทางไปแล้วทําำนะจะต้องง่วงแต่ง่วงเราก็ปลุกให้ทารุมรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาอยู่เหนือความง่วงจัดระเบียบความง่วงเดี๋ยวคืนเนี้ยมาเลยไปละลึกรวงเอามานอนหลับให้อร่อยเลยเชา้าตื่นมาเนี่ยสดชื่นท่องใสมีชีวิตชีวาไปทําดีกันต่อย่เี้ความรลเล่ห์สงสัยยังไงก็ต้องมี ผมเคยสงสัยชีวิตยังงงชีวิตอยูนะ่ทำอะไรมันก็งงก็สงสัยไม่แตกฉานบาปปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นอีกตามมาอีกสงสัยเรื่องปฏิบัตอิอีกเรื่องพุทธศาสนาอีกเรื่องบุ ญ, เ ร, บญเรื่องบาปมรรคผลนิพพานสงสัยอีกอะไรเป็นกายอะไรเป็นใจอะไรเป็นรูปเป็นนามอะไรเป็นความรู้สึกตัวมันจะคิดหาอีกก็ไปเป็นลายแอมโผลมาจะได้รู้จักมันนี่แหละคือความสงสัย ความโมโหงเหาหอนอนความลังเลสงสัยการปยาบาทต่างๆฝูงซาลําลคาญใจมันจะได้แสดงออกมานะของเราทั้งนั้นเลยเราก็รับผิดชอบตัวเราเหมือนเขาจะล่าอยู่ในตัวเราไม่ได้ว่าอะไรตอนนี้อยู่ในท้องในไส้ไม่ได้วาอะไรพอมันออกมาเราไม่วาอะไรมันก็ล่างๆกดชักโครกลงไปนะก็แก่นั้นเนหะมือนกับอารมณ์ปฏิบัติอะไรออกมาแล้วรู้มัน จัดการกับมาโดยการกลับมารู้สึกตัวแต่ทํามีสติเดี๋ยสติมจัดการให้เองแล้วว่าได้คําตอบเกิดปัญญาขึ้นมาแตกฉานผ่านทันทียกกิตสูงไปเรื่อยๆดีวันดีเกินสนุกสนานกับการปฏิบัติธรรมแป๊บๆก็หมาแล้วเจ็ดวันเราจะเสียดายอะไร ห, หมดเร็วจริงแต่ถ้ า, าถ้าเข้ากรรมฐานไม่ลอยเหมือนทํางานนั่นแหละเหมือนกับเรานอนแล้วไม่ทนะําหน้าที่นอนนอนไม่หลับนอนคิด มันก็จะถอนหายใจเฮ่อมาไหลจะหมดเวลามื่อไหลจะเช้าเออเมันก็คนติดคุกรอวันที่พ้นโทษการเดาธรรมก็จะมีอารมณ์แบบเนี้ยให้เราได้รู้จักตัวเราจนกว่าจะเกิดการจานานขึ้นมาความจานาญก็จะพาเราปฏิบัติเกิดความสนุกสนานแต่ว่าไม่ใช่เพลิดเพลินนะถ้าเพลิดเพลินก็รู้ว่าเพลิดเพลินๆๆมันเป็นตัวอีกตัวนึงที่เป็นด่านกักเราไว้นะ เราเคยเพลิดเพลินทํางานจนริ่มกินจนกระทั่งเป็นโรคไตใกล้เจ็บเนอันนี้ไม่ดีตัวเพลิดเพลินตเพลิดเพลินทางตาทางหูเติร์เติร์ตที่ไหนไปที่นั่นดิดซอตีเป่าที่ไหนไปที่นั่นมีหมอลําที่ไหนไปที่นั่นมีเสพพาที่ไหนไปที่นั่นมีดนตรีที่ไหนไปที่นั่นดูมีหนังละครที่ไหนไปที่นั่นมันเพลินเสียงานเสียการเสียสุขภาพได้ปฏิบัติอารมณ์เพลินเพลินไงมั้ะมันก็พายเรา ไม่รู้เนะื้อรู้ตัวจะกลายเป็นเรื่องของเสียววเวลาเหลงอยู่ข้างทางเดินทางไม่ไปถึงไหนอันนี้แหละเราจะได้ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเจ็ดวันนี้เข้าคอสวันนี้เป็นวันมาเราไม่ได้นับเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มต้นวันแรกงการปฏิบัติจนทางโน่นแหละ ว, วันท้ายสุดวันกลับ ไ, ไม่ต้องไปนับห้าวันเต็มๆที่เราจะได้ปฏิบัตริร่วมกันอย่างนี้นะ สาเหตุที่ต้องมารวมตัวปฏิบัติที่นี่วัดป่าสตุตตวเกิดมาตังนต่ปี2543ก็มีกลุ่มของโรงพยาบาลบุรีรัมย์สมัยนั้นหมออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้นามสกุลไม่จำได้อยู่เอตากตะเอเอเอกะตาจิตอะไรนะเป็นหมอผ่าตัดเป็นรองผู้บริการ อยากได้บุคลากรระดับบริหารมาปฏิบัติธรรมกันก็ไม่รู้จะเลือกัวัดไหนกันในสมัยนั้นพอดีอาตมาก็ลงไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปไปสอนธรรมอยู่ที่สวนธรรมเทียนสิริ2543จะมีขับตามกันมาตอนนั้นก็นเลยเปิดคอร์สที่หนึ่งในรุ่นนั้นปีนั้นอะไรจนกระทั่งมาถึงปีนี้ มันก็ทํางานทุกเดือนเกี่ยวข้องกับคนมันก็พูดอย่างนี้แหละซ้ําๆๆๆๆๆอยู่อย่างนี้แหะความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้ลราพูดให้เพื่อให้เห็นลองลอยของจุดที่เราต้องน้อมเข้ามาปฏิบัติความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวของกายโดยเฉพาะเป็นความรู้สึกตัวอย่างไงอย่างหยาบสุดถ้าเราสัมผัสกับมันได้อะนะมันก็จะเริ่มแล้วล่ะเดินทาง โดยเทเราก็ไม่รู้กันเดินทางไปยังไงเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศไม่รู้ไปยังไงไปยังไงพูดไม่ได้เลยแต่ว่าได้ไปมาแล้วรถชื่อยี่ห้ออะไรคนขับชื่ออะไรไม่รู้ถนนเส้นทางชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไปได้เฉยเลยนมันมีไกด์นาทางเราก็ปลอดภัยละวพอถึงด่านตรวจก็ตรวจเข้าไปเราก็เข้าเมืองเข้าไปก็เที่ยวได้ไปวาแล้วได้เหยียบแต่เล่าไม่ได้ ในความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้ยการเดินทางสู่มรรคสุผพนิพานธมันมีแค่ความรู้สึกตัวเป็นยานเป็นวิปัสนาญาเลยความรู้สึกตัวเนี่ยตัวกลางที่มันรู้อยู่ปัจจุบันมันก็นั่งอยู่ในยานทันทีแต่ยานจะวิ่งให้มันมีกําลังก็คือต้องรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องแล้วเติมน้ำมันให้มันหน่อยนะพลังขับเคลื่อนก็คือการรู้ตัวรู้กายเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนเห็นใจนึกคิด ตัวนี้มันจะเกิดพลังขึ้นหมพลังของการขนส่งแล้วมีความเพียนขึ้นไหมเพราะนั้นเราก็พยายามสร้างกรอบป้องกันไว้นี่คือหนึ่งการสำรวมทีนี้ประมาณในการบริโภคนะบริโภคกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ปฏิบัติให้มากๆแล้วงดพูดงดคุยจนไม่คุกคีนะไม่สนุกสนานเหมือนก็ว่าได้เพื่อนใหม่แล้วก็พูดคุยจนลืมเนื้อลื ม, ลมตัวไม่เอาเลยมันเสียเวลา บัวาสร้างมาเพื่อเนี่ยการนี้โดยเฉพาะให้เรามาอุบรมในระยะสั้นสัเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแล้วมีผลก็คือเราสามารถอยู่ในโลกนี้ด้วยใจที่เป็นปกติเราสามารถที่จะกลับไปนะอยู่ในงานอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมมีปัญญาการได้ต่อเนื่องช่องทางอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความรู้เนื้อรู้ตัวตัวนี้แหละ มันจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่ชีวิตที่เหลืออยู่ควรทําที่สุดละชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยกควรจะสร้างมรผล น, นิพพานให้มันปรากฏนะหรือไม่ขณะที่ตายก็สามารถไปต่อรองกับยมปะบาลได้ครั้งหนึ่งมาเคยเคลื่อนใบรู้สึกตัวที่วัดป่าสุขโตเทียงมันเลยอยู่มาทูด เ, เพิ่มิมมาอ่านบัญชีเราผิดนะบอกก่อนบางทีตายไปมันดูบัญชีเราผิดเฉยเลย นี่ไม่ได้พูดเล่นนะเม่เช้าเนะี่ยนั่งคุยกับหลวงพ่อมเขียนเรื่องนี้แหละพอฉันเสร็จยังนั่งคุยกันต่ออีกมีพระศึกนะ เ, รเรื่องเป็นอย่างนี้ที่หมู่บ้านอนะไรวะจำไม่ได้อยู่ ใ, ใกล้นะมีคนๆหนึ่งกระนั้นขับรถไปตกตะพานใส่แตกก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนเรื่องเลยเจ็ดบันตายไปไม่รู้ ปากว่จิตมันล่องลอยไปเรื่อยไปตามความคิดตรงแต่งคราวนี้มันมีตัวใหญ่ๆน่ากลัวมันมาจับหน้าตาหน้ากลัวไม่กล้าสบตามเลยมันพาไปไปไหนก็ไม่รู้นะอยู่ๆไปนั่งอยู่ข้างหน้าของคนที่มันโ ห, หน่ากลัวไปคนที่พาไปพวกเราในชาวพุทธน่ะคิดยังไงตอนเนี้ยมันพาไปไหนเนะ่ยเนี่ยมันพาไปไหน พาไปดูบัญชีทำดีมาเท่าไหร่ทำเชื่อมาเท่าไหร่พาไปนะไปหาอยมาอยมอาบบาลยอมมาทวนพาไปสุวรรณก็เปิดอ่านนี่ในรีไหนดูสิทำอะไรมามั่งเนะ่เปล่าผมไม่ได้ชื่อรีผมชื่อสีนั่นเถียงเลยเห็นไหมนันอ่านผิดแล้วนะคราวนี้เจ้านี่ มีลูกสาวสองคนเปล่าผมมีสามคนเถียงเถียงทำเวรทำกรรมมาเยอะในเราเนี่ยไม่ไม่ผมเป็นมรคทายกพระครูโอภาสไหนี่ผมอารัตนาอยู่ตลอดเลยเถียงเอ๋เถียงจังเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดทันใดนั่นเองก็มีเสียงพระครูโอภาษ์แววมาใน สีในสีพอสีได้เวลาแล้วมาอารัตนาสีน้อยนั่นไงนั่นไงเขาเรียกผมแล้วนะผมต้องไปแล้วถูกผมต้องไปแล้วเอาไปส่งนี่จับมาผิดตัวเจ็ดวันแล้วนะเหมือนกับแป๊บเดียวนั้นนะไปตรงนี้เสร็จแล้วพอในสีฟื้นขึ้ น, นมาที่โรงพยาบาลนะอาจารย์ลีตายในหมู่บ้านเดียวกัน คนนี้พอหายเปิดก็เนี้ย ม, มาห า, ร า, าหรวงพ่อเกียรติโอ้ยมันจริงๆเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆริเลยมันมีสวรรค์มีนรกด้วยเนียอยในจิตของเราเหมือนกนสวรรค์นในอกนรกในใจเราไม่รู้เวลาเราจะนอนในห้องไอซีเวลาใกล้าตายหรือว่าตายไปสะลบสไลด์ไม่รู้เรื่องเครื่องช่วยหายใจในห้องไอซียูช่วยเราไม่รู้จิตขนาดนั้นมันจะเปื่อๆอะไรคิดอะไรของมันร่วมว่างมันเจ็ดบันเนี้เราจะได้เห็นนะ จิตของเราเป็นยังไงสุขสนขนาดไหนเปลือน อ, อะไรมามมีอยู่คนหนึ่งคนนี้เนี่ยมาที่นี่บ่อยเจริญสติแล้วก็ตั้งใจปิบัติทำงานกำลังข้างเป็นก้าบาดีเลยแล้วก็เรียนตอนอายุมากๆเรียนจนกทั่งตอนหลังเนี่ยเป็นสอทอนะเป็นนายกสโมอสรไลออ น, อนเป็นคนที่สังคมให้การยอมรับ อยู่ๆต้องไปตัดผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจก็คือตัดหัวใจออกมาไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าตอนเข้าห้องเนี่ยภาพสุดท้ายก็กกคือมันว่างไม่ได้คิดอะไรเลยนะหลังจากที่นึกถึงมีความรู้สึกเตือนนึกถึงหลวงพ่ออกุบาจารย์ จ, จิตมันว่างเลยพอจิตมันว่างปั๊บนะตื่นมเทีก็เออ ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครนี้อยู่ๆกับบ้านกันึกว่าหายแล้วเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจเตียงเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมนะใส่เข้าไปครนี้ร่างกายยังไม่ตอบรับมันก็มีปฏิกยาเลือดในสมองเนะคิดทํางานทําการไม่ได้ทำมาหลายวันก็คิดนะจนเจริญในหมอแตกลูกสาวเป็นพยาบาลก็พาแม่มาปั๊มช่วยมาตลอดแล้วแวะโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดมาใช้รถแอมบอร์แลนด์เอาไปส่ง ที่โรงพยาบ า, นนาลศรีนครินทร์ขอนแก่นปรากฏว่าฟื้นเร็วมากเลยนะหมอผ่าตัดงงว่าทําไมฟื้นภายในเจ็ดวันนะฟื้นแล้วจำอะไรได้ดีมากเลยซึ่งไม่เคยเจอเลยเคสแบบนี้นปรากฏคนคนนี้ก็จเจริญสติปฏิบัติธรรมเนี่เป็นตัวอย่างที่ดีพวกเรานแล้วอีกหลายๆตัวอย่างที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าเมื่อเราจเจริญสติปฏิบัติธรรมแล้วเนะี่ยมันมีผลจริงๆจนกระทั่งเขากล้ารับประกันตัวเองกันะ อันนี้ก็เหมาะกับคารวาสที่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ต้องพูดถึงว่าเรานะแม่ชีหรือว่าพระสงฆ์ที่บวชกันมามันมีอันนี้สงอยู่แล้วในการแบบทาความคิดที่เคยเป็นความทุกข์เก่าๆปัญหาที่แก้ไม่ตกเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวมันไปไหนไม่รู้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออแปลกชีวิตมันสบายๆง่ายๆเป็นอิสระมันก็เลยมีความผาสุขรู้สึกว่าเออ อยู่วัดอยู่ว่ามันเป็นบวรศาสนาวัดมันพาให้อยู่บ้านวัดมันพาให้อยู่โรงพยาบาลอยู่โรงเรียนอยู่ราชการต่างๆเรียกว่าบาวรน่ะนะวัดอยู่ตรงกลางไปบ้านก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้มันก็จะเป็นตัวปฏิบัติทั้งหมดนที่นี้ก็จึงเนีมีการเคลื่อนมือรู้สึกตัวมันไม่ได้หมายถึงว่าเรานั่งนิ่งๆหลับตางเงียบๆอยู่ต่อหน้าพระ แล้วก็บอกว่าณณ ะ, ะก็คือการเดียวทำเสมอไปมันอาจจะไม่ใช่หรือมันอาจจะใช่ตลอดคนที่ทําเป็นแต่มาที่นี้ให้เน้นการเคลื่อนการไหวไว้ก่อนปลุกขย่าทารู้ะการเคลื่อนไหวคือพลังของชีวิตจิตหยุดนิ่งคือพลังของจิตใจของเราเป็นพลังของชีวิตทําให้เกิดพลังแล้วเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆะชนิดที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน บางทีเราทําดีแล้วไม่ถึงดีแล้วก็ท้อแล้วเย่งนี้นะบางทีทำดีทำดีคนที่อคติแล้วไม่มีปัญญาแลแ้วยายเขาชื่นชมเงี้ยเป็นไปไม่ได้บางทีเราก็ทําดีไม่ถูกกาละเทศะาเงี้ยพอสติปัญญามันก็ไม่รู้เท่ารู้ทันเพราะฉะนั้นที่มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะไปจัดระเบียบทางกายของเราแล้วก็วาจารแล้วก็จิตใจของเราโดยเฉพาะเรื่องจิตใจระบบความคิดมันจะจัดระเบียบให้เราควรคิดก็คิดไม่ควรคิดก็ไม่ได้คิดหรอก ก็จะปรับให้สู่สภาวะเป็นปกติอยู่เสมอเป็นสภาวะสมดุลในภาษาศาสนาจะเรียกว่ามัจฉิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นทางพ้นทุกข์ถึงอัตตาคือมัายโยคือคิดให้ตัวเองลําบากคิดล่ากล่าวโทษตัวเองคิดแล้วก็ตอกย้าตัวเองพวกนี้ทําให้เครียดนีกังวลเป็นลักษณะของอัตตาคือมัายโยคือคิดแล้วก็เผลอไปในกาม เป็นกา ร, รมาวจรจรไปในกามอยู่เสมอตาก็จะดูหูก็จะฟังสมองก็คิดปรุงแต่งไปเพลิดเพลินในระบบความคิดีคิดแล้วก็พอใจเป็นสุขอันนี้เป็นของกา ม, มาสุขาหรือกายโยกการสายฟางคือความเป็นปกติ ทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตของเราสู่สภาวะปกติของจิตเพราะฉะนั้นการเวลาไปครั้งนี้ก็คือลักษณะการคืนการทวนกระแสจิตของเราขนะึ้นสู่สภาวะปกติของจิตอันนี้เราจะเป็นมาตรฐานเป็นบ้านที่เราจะได้อาศัย ใ, ใช้พักเพียงจนกระทั่งตลอดชีวิตวนะนั่นแะนะอันนี้วันนี้เห็นว่าสมควเรเวลาเรากล่าว พ, พร้อม